ข่าวว่าตลาดหุ้นทั่วโลกมันปั่นป่วนอันนี้ก็ซื้อมาจากตลาดหุ้นในจีนมันตกลงไปนะหลักขาวหุ้นเริ่ปรับตัวลดลงนะอันนี้มันสะท้อนนเศรษฐกิจของจีนที่เริ่มจะมีปัญหาชัดเจนขึ้น เพราะว่าที่ผ่านมาซื้อจกจีนก็ขาขึ้นตลอดตอนนี้ก็ยังขึ้นอยู่นะแต่ว่ามันเริ่มแผลล่วแล้วแล้วมันก็สะท้อนมาที่ตลาดทุนของจีนอันนี้ล้มต้นข้างเงินหยวนซึ่งก็ลดลงไปก่อนหน้านี้แล้วแต่ว่าสองวันก่อนที่มันตลาดทุนมันเรียกว่าตกลง ชัดเจนของจีนก็ทำให้ตลาดหุ้นทั่วโลกก็ตกกันใหญ่นั่นเมื่อสอาวัที่แล้วไม่รู้ว่าเมื่อวานนี้เป็นอย่างไรต่กนี้ตามมาคือคนก็แตกตื่นกันมีความวิตกกังวลเพราะว่าเศรษฐกิจจีนก็ตัวันนี้ก็คอยปรัคอย คอยคำยันนะเศรษกริจโลกไม่ให้สุดลงไปมากกว่านี้นยกว่าจีนก็เป็นผู้ซื้อรายใหญ่นักท่องเทีจีนก็ไปช่วยทำให้เศรษกริจในหลายประเทศนะยังพอส่งตัวอยู่ได้รวมทั้งประเทศไทยด้วยนี่พอเศรษฐกิจจีเริ่มแย่พูเริ่มตก มีความวิตกผู้คนก็สะท้อนมาจากคุณที่มันตกไปด้วยอันนี้คนที่เล่นทุนมันหรือไม่ได้เล่นทุนพอได้ข่าวก็มีความวิตกกังวลพวกส่งออกพวกที่ทํามาค้าขายก็ก็มีความวิตกกังวลมากไปถึงขั้นคนที่เล่นทุนนี้ก็คนถึงขั้นอแตกตื่นไปเลย เวลาสังขาวที่มันมันบอกอะไรเราบ้างเนะ่อันหนึ่งที่มันบอกได้ใช้คือบอกบอกเรื่องความเป็นอนิจจังความไม่เที่ยงอะไรที่มันขึ้นนะมันไม่สามารถจะขึ้นไปได้ตลอดก็ต้องลงเหมือนเครื่องบินนะ่ะเครื่องบินมันจะบินสูงแค่ไหนก็ตามนะในสูงก็ต้องล่อนลงพื้นดินนะถ้าไม่ล่อน แบบซอฟ t l a n นด n g หรือแบบแบบราบรื่นก็ต้องตกลงมากระแทกความไม่เที่ยงว่าแสดงให้เห็นหนาจากเหตุการณ์ต่างๆรวมทั้งภาวะของตลาดทุนหรือเศรษฐกิจด้วยไม่มีอะไรที่มันขึ้นแล้วมันไม่ลงใครจะกันขายต้องสะท้อนถึงว่ามันมีคนจตนวนไม่น้อยที่ไม่ได้ตันหนักเรื่องอัตจัง หรือไม่ได้เผื่อใจไว้ว่าเนี่ยไอ้ที่มันขึ้นๆเดี๋ยวมันก็สักวันก็จะลงไอ้ตอนขึ้นก็ดีใจนะเรียก ว, ว่า enjoy enjoy กแบบับเศรษฐกิจที่มันขึ้นแล้วก็ไม่ได้เผื่อใจไว้ว่ามันก็จะตกทั้ทอมันเริ่มตกก็คนก็เลยตื่นตกใจ ใครไม่รู้ก็ถ้าใครไม่รู้ก็เฉยๆแต่พอรู้เนี่ยก็จำนวนไม่นยก็ตกใจที่จริงถ้ารู้ถ้ารู้ถ้ารู้จริงๆเนี่ยมันก็ไม่น่าจะตกใจ้วมันก็น ก, ก็ก็มีการพูดกันเรื่องนี้มานานแล้วมีการทำนายกันมานานแล้วถ้ารู้จริงหรือว่าถ้ารู้จริงยิ่งไปกว่ น, น, นั้นคือ ตระหนักเรื่องความเปลี่นนิจจังเนี่ยมันก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่ต้องตกใจเพราะว่ามันต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนให้ความตื่นตกใจของผู้คนความวิตกควาวุนวายสะท้านะเห็นว่าไม่ได้เผื่อใจไว้เลยหรือไม่ได้คิดเลยนะว่ามันจะมันจะตกนะอันนี้ก็เรียกประมาทนะ เรีย่าประมาทซึ่งมสาสะท้นความไม่รู้ความไม่รู้ก็เรียกว่าความหลงก็ได้ไม่รู้ไม่ไม่รู้เรื่องความเป็นอนิจจังแล้วก็พอมันขึ้นก็ดีใจพอดีใจก็อาจจะลืมตัวมีเงินได้เงินมาก็ใช้ได้เงินมาก็เที่ยวแต่ถ้าคนที่เขาเขา พอรู้จริงเนี่ยหรือว่าเขาตระหนักในเรื่องของอนิจจังนี้เขาจะไม่ประการที่หนึ่งคือว่าไอตอนที่มันขึ้นขึ้นขึ้ น, ขนเขาก็ก็จะไม่ปลื้มไม่ดีใจมากไม่ลิงโลดนะได้เงินมาเท่าไหร่ก็อาจจะเก็บเก็บออมมาไว้ไม่เที่ยวไม่ใช้พราอะไรเพเผื่อเผื่อมันตกเผื่อมันแย่ถึงตอนนั้นก็จะได้มี มันก็มีบอกกันกระแทกเนี่ยพอมันตกมาเออก็ไม่ตื่นตกใจมากเพราะรู้แล้วว่ามันเป็นเช่นนั้นเองอนปรากฏการณ์นี้มันก็เกิดขึ้นไปในทุกวงการนะไม่ใช่เฉพาะเรื่องหุ่นนะอย่างเช่นเรื่องยางเนี่ยแต่ก่อนยางก็ขึ้นกิโลละร้อยสี่สิบคนก็ดีใจดีใจกันทวนหน้า ได้เงินมาเยอะก็ออกรถใช้จ่ายสารพัดแล้วแต่ก็จำนวนไม่น่ยก็ไม่ได้คิดที่จะอดออมหรือเก็บออมมาไว้เลยไม่ได้คิดว่าสักวันหนึ่งราคาก็จะตกนั่นพอมันตกเนี่ยหรือแค่สี่สิบบาทเนี่ยโอ้ก็ทุกข์กันกุ้มหัวกุ้มใจ รถที่มีก็ต้องขายนะขายรถโพรยังพอไม่หมดที่จริงถ้าหากว่าเข้าใจเรื่องก่อนนิจจังนะมันก็จะไม่ไม่พลีารามเวลาราคายางขึ้นก็เออก็เผื่อใจไว้ว่ามันมันเป็นของชนะั่วคราวถ้ามันไม่ขึ้นมากกว่านี้ก็ตกอยูีแค่นั้นแหละ ถ้าร่วงนี้ก็จะไม่ไ ม, ไม่ไม่ดิงโลดได้เงินมาก็ใช้จ่ายอ้าที่ควรไม่เอาไปซื้อนอนซื้อนี่สารพัดนะเก็บเอาไว้บ้างเผื่อว่าถึงเวลาที่มันตกนะกไ็ได้มีอมีเงินสำรอง ถ้าเกิดผ่อนลดยังไม่หมดอ่ะก็ยังมีเงินสำรองผ่อนต่อไปไม่ต้องเอาไปขายราคาถูกๆหรือว่าคืนแบงค์ไปเนี่ยแต่นี่สิ่งที่เราเห็นก็คือว่าพ อ, อยางตกก็โอาปั่นป่วนกันไปทั่วนะมันสะท้อนหน่งคลานที่ไม่ได้ตากเตรียมหรือเผื่อใจไว้เลยแต่ก็มีคนจำนวนหนึ่งนะที่เขา เขามีก็มีปัญญานะเขาก็รู้ว่าราคายางที่มันขึ้นนี่มันก็เป็นของชั่วคราวก็ไม่ได้ไม่ได้ลิงโลดดีใจไปกับสิ่งนี้นะก็อย่างเตรียมเตรียมตัวไว้เผื่อว่ามันตกเมื่อไหร่ก็จะได้ไม่เจ็บนะตกมาไม่กระแทกมีเบาะเอาไว้อันนี้มันไปถึงทุกเรื่องนะ ประเภทว่าไม่รู้ตัวนี่ตั้งที่มันอันเกรายแจ้งว่าแสดงตัวอย่างเช่นคนที่เคยมีสุขภาพดีพอถึงเวลาเจ็บป่วยนี่ก็โอ๊ยทำใจไม่ได้อันนี้ก็เหมือนกันนะก็เือนคนที่เป็นทุกข์เพราะราคาขุ้นมันตกนะหรือว่าราคายามันตกนะ เรื่องเดียวกันเลยคือว่าตอนที่สุขภาพดีก็ก็ไม่ได้คิดเลยนะว่าสักวันหนึ่งมันก็จะต้องเปลี่ยนไปมันไม่มีใครที่จะมีสุขภาพดีไปได้ตลอดมีกลังวงชาไปตลอดเป็นหนุ่มสาวก็ต้องแก่แก่นี่ก็ถือว่าโชคดีนะเพราะยังเพราะถ้าป่วยนี่มันจะแย่กว่า น, นั้นแก่ยังดีดีกว่าป่วย ป่วยยางดีก็ดีกว่าตายแต่คนก็ไม่ค่อยได้คิดนะว่าเออวันนี้เรามีสุขภาพดีวันหน้าเราก็จะเจ็บป่วยหรือว่าไม่มีกำลังวังชาไอ้ตอนที่สุขภาพดีก็เที่ยวเต่สนุกสนานนะไม่ได้ตัดเตรียมเอาไว้เลยว่าถ้าเกิดป่วยจะทำยังไงเช่นอมีเงินสํารองเอาไว้ ใช้จ่ายยาเกิดป่ปวยหรือที่สำคัญก็คือเตรียมใจ <Okay. S 1> เตรียมใจเออถ้าเราป่วยแล้วก็ก็ได้ไม่ทุกข์นะแต่ส่วนใหญ่ไม่อย่างนั้นนะพอป่วยเขาก็ก็จะโวยวายตีโพยีไปทาไมต้องเป็นชั้นทาไมต้องเป็นชั้นเราวิเศษมาจากไหนนะถึงถึงคิดว่าจะไม่ป่วยนะใครๆเขาก็ป่วยดังนั้น ดีเพือป่วยเป็นโรคอะไรแค่ น, นั้นเองอันนี้ความการตีโพยตีภายนั้นสะท้อหนหถึงทั้งความไม่ตะหนักในเรื่องความไม่เที่ยงของสังขารแล้วก็สะท้อนถึงความประมาทด้วยไม่ได้ตัดเตรียมอะไรไว้เลยไม่ต้องเผื่อใจไว้ตลอดในทุกในทุกเรื่องนะคนที่มียศมีตําแหน่งหรือว่ามีชื่อเสียงเกียรติยศเนี่ยนะ อย่าไปคิดว่ามันจะมันจะเป็นอย่างนี้ไปตลอดนสักวันหนึ่งก็จะแปรเปลี่ยนไปเมืองกับวัดเราเนี่ยวัดเราเเออเคยมีน้ำใช้บริบูรณนะ์นะไม่ไปคิดว่ามันจะเป็นอย่างนี้ไปตลอดนะล้วมันก็แสดงให้เห็นแล้วนะว่าสักวันหนึ่งความเนญจจังก็ปรากฏนะเช่น ปีนี้นีก็น้ำก็เริ่มขาดแคลนอะไรๆที่เราคิดว่ามันเป็นของปกติธรรมดานี่จะตายใจไม่ได้เพราะว่ามันปรากฏแกลลอเพียงแค่ชั่วคราวมีน้ำดีมีน้ำใช้ตลอดปีเราไปคิดว่ามันจะได้ใช้ไปตลอดจะเป็นอย่างนี้ไปตลอดตลอดกาล ความเสื่อมมันก็จะปรากฏเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ต้องเผื่อใจว่าเออสักวันหนึ่งเมื่อน้ำในวัดมันเริ่มออต้องมีวันขาดแคลนนะเออเราจะทนยังไงก็ต้องเก็บน้ำกันให้มากขึ้นหรือว่าประหยัดน้ำกันให้มากขึ้นใช้น้ำให้น้อยลงเป็นต้นเนี่ยนี่เราต้องต้องไม่ไม่ไม่ประมาทในสภาพ สภาพความปกติธรรมดาที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราไม่ว่าเรื่องใดก็ตามวันนี้สุขภาพดีวันหน้าก็อาจจะเจ็บป่วยนะวันนี้มีเงินมีทองใช้วันหน้าก็อาจจะขาดแคลนวันนี้มีคนชมเราวันหน้าก็ามีแต่คนที่ยามหยันเราหรือว่าไม่ชื่นชมเราต้องสำรวจตรวจตรานะในในในชีวิตของเรานี่อะไรที่มันที่ เราเคี่ยวมันเป็นปกติธรรมดาเนี่ยที่จริงมันไม่ปกติหรอกมันแค่ชั่วคราวมันจะแปรเปลี่ยนไปเมื่อไหร่ก็ไม่รู้โดยเฉพาะเวลาที่มันเป็นช่วงที่มันสบายสบายไม่ว่าสบายเรื่องอะไรหรือพอใจเรื่องอะไรอันนี้ต้องต้องเผื่อใจว่ามันจะแปรเปลี่ยนไปด้วยที่พระเจ้าก็ตรัสสอนเอาไวนะ้เตือนเอาไวนะ้พระเจ้าสอนเรื่องอนาคตไปลห้าประการ พุเจ้าไม่ได้ไม่ได้สอนให้อยู่กับปัจจุบันในลักษณะที่ว่าไม่ต้องนึกถึงอนาคตนะหลาคนไม่เข้าใจหลายคนไม่เข้าใจว่าพุทเจ้าเนี่ยไม่สอนว่าอย่าไปสนใจเรื่องอนาคตนีุ้จ้าเพียงแต่บอกว่าอย่าไปพะวงถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงแต่ไม่ใช่ว่าไม่ใคร่ครวญไม่วางแผนไม่เตรียมตัว คือถ้าอย่านึกถึงอนาคตก็จะเป็นนึกด้วยพ่อกังวลนึกด้วยความกังวลอันนั้นมันหลงแต่ถ้านึกด้วยสติด้วยปัญญานี่ดีนึกถึงอนาคตเพื่อจะได้เตรียมใจเพื่อได้ปรับตัวหรือเตรียมตัวได้ถูกอย่างเช่นนึกถึงเรื่องความตายไวย้มันเกิดขึ้นแน่นอนก็จะได้ไม่ประมาท ก, กับชีวิตจะได้ เห็นคุณค่าของเวลาที่มีอยู่แล้วก็ใช้มันให้เกิดประโยชน์เช่นทําความเพียรเช่นเนี้ยความเพียรเป็นกิจที่ต้องทําวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้นึกถึงความตายว่ามันจะได้เร่งทําความเพียรเสียแต่วันนี้นะอนาคตต่อไปให้ประการก็เหมือนกันนะนึกถึงอนาคตนึกถึงภายที่จะเกิดขึ้นนอนาคตจะได้กระตุ้นให้ทําความเพียรเสียแต่วันนี้ในเช่นข้อแรกเนี่ยนะ ในขณะที่ยังหนุ่มนะยังหนุ่มยำแนั่นะหรือว่ายัางสาวยังมีกำลังวังชาก็ให้ะระลึกว่าวันหน้าก็ไม่มีเรื่องไม่มีแรงไม่มีกำลังวังชาจนตอนนั้นจะทําแล้วก็ลําบากแล้วเพราะฉะนั้นให้เร่งทําความเพียรตั้งแต่วันนี้ทําความเพียรทําเจริญภาวนาตั้งแต่วันนี้วันที่สองเนี่ยวันนี้ยังตอนนีวันนี้เนี่ย ยังสุขสบายท่านใช้คำ อ, อ า, าพาธน้อยอ า, าพาธน้อยกปลว่าเจ็บป่วยน้อยคือท่านมองว่าเนี่ยคนเราทุกข์ขนาดมันไม่ไสบายหรอกมันมันมีทุกข์อยู่กับตัวตลอดเวลาอยู่ที่ว่าทุกข์มากหรือทุกข์น้อยอตอนนี้เนี่ยถึงแม้เราคิดว่าเราสบายจริงมันก็คืออ า, าพาธน้อยอ่เองวันหน้านี่จะอ า, าพาธมากกว่านี้นก็อาจจะล้มหมอนนอนเสือ่อ ถึงตอนนั้นก็ทําอะไรลําบากแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องทำความเปลี่ยนเสียแต่ตอนนี้วันนี้ยังมีข้าวปลาอาหารนะบริบูรณ์แต่วันหน้าก็อาจจะขาดแคลนข้าวยากหมากแพงจึงตอนนั้นก็ทําอะไรลําบากแล้วเพราะฉะนั้นต้องทําความเพี่ยนเสียแต่วันนี้กนะ็ที่สี่เนี่ยวันนี้ผู้คนญาติโยมหมู่บ้านเมืองนะ ปกติรับรื่นผู้คนสมัครคีกันแต่วันหน้าก็อาจจะทะเลาะบอกแว้งกันทำอะไรลำบากถึงตอนนั้นเพราะฉะนั้นตอนนี้เรงเล่งทาความเพียนซะก็อที่ห้าวันนี้หมู่สงยางสมัคคีปรองดองกันนะแต่วันหน้าก็อาจะทะเลาะบอกแว้งกันถึงตอนนั้นก็ทำความเพียรลำบากต้องทำความเพียนแต่วันนี้ทีเจา้าสอนให้เราลึกถึงความไม่เที่ยง ของสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันซึ่งก็เป็นแค่ตัวอย่างนะจริงห้าอย่างมันมีมากกว่านั้นนะแต่นี้เป็นห้าอย่างหลักๆนะที่ที่จะแปรเปลี่ยนไปในวันข้างหน้าซึ่งจะอุปสรรคกับการทำความเพียรงนั้นถ้าเราเ ล, ลึกไว้อยู่เสมอนะว่าไอ้ความ ความสบายนะที่เกิดขึ้นกับเราในวันนี้นะความปกติความราบรื่อนนะอย่าไปคิดว่ามันคือความปกตินะอย่าไปคิดว่ามันคือความธรรมดามันเป็นภาวะชั่วคราวเท่านั้นแหละนมันจะแปลเปลี่ยนเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ถ้าเราเผื่อใจบ้างว่ามันจะของที่เรามีของที่เราใช้นะ มันหน้าก็เสียไปวันหน้าก็หายไปเสื่อมไปเออได้เวลาที่มันยังอยู่กับเราก็ดูแลรักษาใช้เกิดประโยชน์แล้วก็เผื่อใจไปด้วยนะว่ามันไม่ใช่ว่ามันของไม่เที่ยงถึงเวลาที่มันเสื่อมเสียไปก็จะไม่ทุกข์กับมันมากนื่นองจาเราคิดอย่างนี้ก็จะรู้ก็จะตระหนักว่ามันต้องไม่ประมาทอะไรเลยสักอย่าง เราไม่สามารถจะประมาณ ก, กับอะไรเลยได้สักอย่างแต่ก็ไม่แปลว่าจะวิตกกังวลนะถ้าวิตกกังวล น, นี้นี่ก็ผิดแล้ววางใจผิดแล้วิวตกกังวลแสดงว่ายังมีความยึดติดอยู่เนะี่ยยังไม่ได้ทําใจให้ดีพอแต่ถ้าเราทําใจดีพอมัก็ไม่วิตกกังวลมันก็รู้ว่าเออมันก็ธรรมดาถ้ามันจะแตาเปลี่ยนไป การมีชีวิตเนี่ยอย่างชาวผู้ทีเป็นเป็นชีวิตที่มีความระมัดระวังมีสติตลอดเวลาไม่ใช่มีสติอยู่เฉพาะเวลาเดินตรงกรมเวลาปฏิบัติแต่ว่ามีสติการใช้ชีวิตมีความใครควรกับทุกอย่างที่เกิดขึ้นเป็นอยู่กับเราไม่ว่าจะเป็นร่างกายไม่ว่เป็นสุขภาพไม่่าเป็นข้าวความเครื่องใช้ไม่ว่าจะเป็น สิ่งว่าล้อมรอบตัวพวกนี้มันสามารถจะแปลเปลี่ยนไปในทางที่ไม่น่าพอใจได้ทั้งนั้ น, ใ น, ใ, น, ใ, นในทางตรงข้ามเวลามั น, มนเฟื่องฟูนะกระแสขึ้นก็ไม่เพิดเพลินนะยินดีกับมัน รู้ว่าสักวันหนึ่งก็เป็นของชั่วคราวสักวันหนึ่งก็แปดเปลี่ยนไปเวลาใครชมเราก็เอออย่าไปปื้งนงนมากนะเมื่อสักสามสิบสสิบปีสามสิกว่าปีก่อนมนะั้งสมัยยังเป็นโยมนะเคยไปไปสัมมนานในที่ประเทศเบลเยียมนะเรื่องเกี่ยวกับสันติวิธีเสร็จแล้วก็ าสุดท้ายจู่ๆก็มีแขกมามีคนมาบอกว่าเนี่ยเขาจะมีรายการามีรายการใหญ่นะอยู่ที่เมืองเมืองหนึ่งนะ<ม>เกี่ยวเรื่องสันติวิธีเหมือนกันมีคนมาฟังเยอะเลยขอเชิญตัวแทนของแต่ละประเทศนี่ไปไปพูดไปเล่านะประสบการณ์สันติวิธีของตัวเองเนี่ย ให้ให้คนในรายการนั้นฟังหน่อยคนที่มาร่วมฟังหรือคนที่มาร่วมประชุมนี่ก็คงก็หลายพันนะเขาก็เลือกคนตัวแทนไม่กี่ประเทศนะประมาณสักสี่ห้าประเทศได้แล้วผมว่าถูกจับพระจับผ้วยเลือกไปด้วยก็ก็เป็นครั้งแรกก็ว่าได้นะที่ไปพูดใน ผู้ภาษาอังกฤษนะต่างภาษา ต, า ภ, าษาตาภาษาต่างประเทศนะในสถานที่สาธารณะขนาดนั้นก็ให้เวลาพูดไม่ถึงประมาณสักสิบนาทีได้ก็เตรียมตัวพูดก็ประสบการณ์ของตัวเองในจากเหตุการณ์สุกตุลาเนี่ยที่ว่าถูกเตะถูกกระทืบไงแต่ว่าก็ไม่มีใจโกรธแค้นคนเหล่านั้นก็ให้อภัยเขา มันก็เวลาก็ไม่มากก็พยายามพูดยาะย้พูดเศษคนก็โอโหดีใจเขาก็พอใจมากตบมือกันนะมีคนมาขึ้นมาบนเวทีมาพูดมาคุยมาชมนะส่วนเจ้าภาพนี่เขาก็ดูแลเราดีนะที่จริงดูแลดีตั้งแต่เริ่มเริ่มเดินทางนะก็พาไปพักในที่ที่ค่อนข้างสะดวกสบายหลังจากเลิก นี่เราก็เผื่อใจไว้เลยนะวันนี้เขาวันนี้เขาก็ดูแลเราเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เป็นหมาแล้วเราก็จริงด้วยนะพอถึงพอเสร็จงานเขาก็เราก็นะกลับก็ต้องเดินทางคนเดียวเขาก็ไปทิ้งเราที่สนามที่ที่สถานีรถไฟแลัย่างนั้นเราก็ต้องช่วยตัวเองแนละ้วก็เป็นเป็นอ่ไม่มีใครรู้จักไม่มีใครสนใจ อันนี้ก็ก็ตรงกับที่คิดเอาไว้นะวันนี้เป็นเทวดาผู้นี้เป็นหมาได้ง่ายๆก็เตือนใจไว้ก็ไม่ทุกร้อนอะไรอันนี้เป็นธรรมดานะมันเกิดขึ้นได้มันเป็นอย่างเงี้ยธรรมดาโลกวันนี้เขายกย่องเ ช, ชิดชูวันต่อไปก็ถ้าเขาไม่ไม่ดา่าไม่เยียดย่งกระบุนแล้วนะ อันถ้าเราในยามที่เราได้เจอประสบสิ่งที่เป็นโลกธรรมนะโลกธรรมโลกธรรมฝ่ายบวกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นได้ลากได้ไดยศสารเสือหรือว่าสุขไอ้คาว่าสุขนี่ว่ามีความหมายกว้างมากเลยนะอาจจุเลาหมันถึงว่าโอ๊ยข้าวของที่ขายนี่มันมันเป็นที่นิยมนะราคาราคานี่ราคาดีมากนะ อันนี้คนขายก็มีความสุขนะไปเล่นทุนๆก็ขึ้นเอาขึ้นเอาขึ้นเก็มีความสุขนะขายของนะก็ขายดีนะอันนี้เวลานี้เรื่องโลกธรรม่ายบวกก็เผื่อใจไว้ว่าอ่นะสักวันหนึ่งมันก็มันก็แห้วนะมันก็แปลเปลี่ยนไป อีกแง่หนึ้งก็ทำใจไปก็เออเมื่อมันเกิดขึ้นจะไม่ทุกข์เราหรือว่าไม่ตื่นตหนกตกใจไม่โวยวายอย่าง่หนึ่นก็เตรียมตัวด้วยเออถ้ามันตกลงมาทำยังไงอย่างเช่นคนที่ทําค้าคนที่ทํามาค้าขายก็ต้องอาจจะมีแผนสองนะเกิดขายไม่ออกทํำยังไงเดี๋ยวนี้มันเร็วมากแล้วนะแต่ก่อนนี้ แต่ก่อนนี้เครื่องเล่นวิดีโอนี่ขายดีนะดิสเกตแผ่นดิสเกตนี่ก็มีคนใช้กันเยอะคนขายแบ็คเบอรี่นี่ก็รวยเอารวยเอานะวันดีคืนดีมันตกเลยขายไม่ออกแม้แต่โทรศัพท์มือถืออย่างโนเกียก็เจ๊งนะคนไม่ซื้อ มันมันพลิกเร็วมากนะเวลาแค่ไม่กีป่ปียุคนี้มนันยุคที่อะไรอะไรมันเปลี่ยนแปลงได้เร็วมากเพราะนั้นต้องเผื่ใจไว้คข้าด้ยกันมองใกล้ตัวเข้ามานะไอ้เรื่องเรื่องเรื่องเรื่องรูปเรื่องน้ําเรื่องกายเรื่องใจนี่มัก็เหมือนกันถึงเวลาเจ็บเวลาป่วยนี่บางทีเพียนนะ อย่างมีหมอคนหนึ่งก็เป็นหมอที่ช่วยเหลือผู้ปวยและสุดท้ายได้ดีเอาใจใส่แนะนำให้เขาวางจิตวางใจบางทีคนไข้อยาค่าตัวตายเราปวดมากก็พูดเตือนให้เขาให้เขาให้เขาเริ่ให้เขาเปลี่ยนใจหรือว่าบางคนก็ไม่ไม่ไม่ได้คิดเรื่องความตายแลย้วก็พยายามเตือนให้เขารู้จึดความตายเวลาตายตา ย, ตายสงบแต่ครั้งตัวเองป่วยเนี่ย ป่วยนานๆเช่านะป่วยเป็นปีอะนะไม่ใช่มะเร็งอะป่วยแล้วก็เริ่มหงุดหงิดเริ่มเครียดทำอะไรก็ทำไม่ได้รู้สึกตัวเป็นภาระห่วงลูกห่วงแม่บางทีก็ภุม่มใจเรื่องแม่พุ้มใจเรื่องภรรยาไปมาก็เครียดหนักจกนกระทั่ง พยายามทำร้ายตัวเองพยายามที่จะ่าตัวตายตอนหลังก็พอข้ามได้ก็ไปทำร้ายคนอื่นด้วยความเครียดด้วยความโกรธอันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องเตือนใจเลยนะโอ้คนที่ไปช่วยผู้อื่นเนี่ยบางทีพอตัวเองเป็นเข้าพอตัวเองไปช่วยผู้ป่วยสุดท้ายนยแต่พอตัวเองเป็นเข้านี่ยเจอเข้ากับตัวเองนี่ก็ เสียศูนย์เสียหนักเลยนี่มันเป็นเครื่องเตือนใจว่าเอย่าประมาทวันนี้เราทําอะไรได้อะไรมากมายมีความคิดมีสติปัญญาวันหน้าก็อาจจะเป็นอะไรก็ไม่รู้ฉะนันต้องเผื่อใจไว้แล้วก็เผื่อใจไม่พอต้องเตรียมตัว เ, เตรียมสร้างเตรีย ม, ส ร, ม, มสร้างผูมิคุ้มกันสร้างผนุมคุ้มกันกับตัวเอง เพื่อว่าเวลามันเกิดเคยกลางยิ่ขึ้นก็จะได้มีมีทุนสำรองเอาไว้รับมือกับมันไม่เสียผู้เสียคนหรือว่าเสียสูญง่าย